วนก็ชี้ให้เพื่อนของเธอดูนะแบงสามใบข้างหน้าแล้วเธอก็บอกว่าไอ้นั้นไม่ใช่แบงจริงหรอกพอถ้าแบงจริงเนี่ยคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ต้องหยิบไปแล้วที่มันอยู่ตรงนั้นแต่เขาเป็นแบงปลอมแต่เพื่อนอเธอเนะี่ยไม่ได้คล้อยตามด้วยเพื่อนเธอก็เลยเดินไปหยิบแบง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 ความคิดเพราะเหตุผลเหตุผลของอ้วนนี่มันก็ฟังดูดีนะถ้าเป็นแบงก์จริงก็ต้องมีคนหยิบไปแล้วละนะ่ะเธอเลยไม่สนใจไงแต่ความจริงก็คือว่ามันเป็นแบงก์จริงนะเรื่องนี้เนี่ยนะก็คล้ายๆกับเรื่องที่เขาเล่ากันนะในประเทศอังกฤ ษ, อ, กฤษอเมริกาว่า ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์กับลูกศิษย์กํกลาลังเดินเล่นนะอยู่บนลานหญ้าในหมาเฉลัยแล้วลูกศิษย์ก็ชี้ให้อาจารย์ดูว่าเนี่ยมีแบงค์อยู่ตกอยู่ตรงสนามหญ้าเป็นแบงค์ร้อยดอลลาร์ศาสตราจารย์ก็บอกว่านั่นไม่ใช่แบงค์จริงหรอกถ้าแบงค์จริงก็ต้องมีคนเก็บไปแล้วมันแบงค์ปลอมแน่ๆ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 รู้หรือเรียนเรื่องกลามาสูหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะการคิดค้นตามหลักตร ก, กะอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะไ่าเป็นไปได้ต้องไปจักต้องไปสัมผัสนะมาดูเลยเป็นของจริงหรือเปล่าแล้วก็พราะเป็นของจริงตรกะหรืออาการอนุมาณเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะในการช่วยทําให้เราคิดอะไรได้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 ไปตั้งไปทําไรนะ่ในเขตเใกล้กับเขตป่าก็มีลูกนี่แหลนะช่วยทําไร่ด้วยลูกก็ยังเล็กนะก็ประมาณสักเก้าขวบสิบขวบวันหนึ่งพ่อเนี่ยก็เข้าไปหาของป่าก็ให้ลูกเนี่ยเฝ้าบ้านพ่อก็ไปเลี้ยงไปทั้งวันเลย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 แต่ไปเจอกองกระดูกอยู่ในกองเท่าฐานนะที่มันเคยเป็นบ้านเกือเสียใจมากเลยร้องหม่มร้องไห้นะลูกนี่ตายในกลองเพิงก็เก็บกระดูกลูกไว้นะเก็บไว้กับตัวแล้วก็หลังนั้นก็ย้ายบ้านไม่อยู่แล้วนะอยู่ที่นั่นก็ทำให้คิดถึงลูกชายแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วย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 ลักขโมยเด็กไปด้วยเด็กชายนั้นเนี่ยคงการ จ, จะเอาไปเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปเอาไปปลูกฝังให้เป็นโจรนะ เ, เหมือนพวกตัวเพราะพวกนี้มก็ต้องมีมีผลพักรุ่นเก่าตายไปก็มีรุ่นใหม่มาแทนที่แต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะหลังจากที่อยู่ในการเลี้ยงดูของโจรกลุ่มนี้มาหลายปีจนตาจนโตเป็นชายหนุ่มเนี่ยสักวันหนึ่งก็หนีมาได้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 มันก็มีอาการต่อต้านอยู่ข้างในบางคนเนี่ยนะอายุ40แล้วเนี่ยใจมันยังไม่ยอมรับเลยว่าความตายนี่มีอยู่จริงด้วยซ้า ม, มีผู้หญิงคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้กำกับละครแล้วก็ทาหนังโฆษณาด้วยเพื่อนเธอก็อยู่ต่างจังหวัดนะมาเยี่ยมเพื่อน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 ในละครในโทรทัศน์เธอทำละครเธอทำโฆษณามันก็มีคนเนี่ยที่เล่นบทเป็นคนตายแต่พอเสร็จการถ่ายทานะทุกคนก็ฟื้นขึ้นมาไม่มีใครที่ตายจริงสักคนมีแต่ตายหลอกหอ ก, ก็เลยพอเจอภาพนะที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็เลยตกใจอุทานขึ้นม า, าเฮ้ตายจริงๆก็มีด้วยหรือ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 พระองค์เนี่ยนะสามารถเทียวพูดให้คนเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้มากมายแต่พอเจอนางากีสาวคตมีเนี่ยพระองค์ก็รู้เลยว่าเพียงแค่พูดให้หนางยอมรับความตายของลูกเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นแทนที่พระองค์เนี่ยจะบอกนางกีสาวกตมีว่าลูกเธอตายแล้วความตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครที่จะหนีความตายพน้นคําสอนแบบนี้พระเจ้าไม่ตัดเลยนะกับนางกีสาวกตมี กับบอกนางว่าเนี่ยเราช่วยลูกเธอได้ถ้าหากว่าเธอไปหาไม้ประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายอ้วนังเกียรติขงตมีก็ดีใจเลยนะอุ้มศพลูกไปเข้าไปในกรุงสาวัตถีไปถามหาแต่และบ้านมันมีไม้ประกาดไหมทุกบ้านก็มีทั้งนั้นแต่พอถามว่ามีคนตายหรือเปล่านะั้นทุกบ้านก็มีคนตายปู่บัง่งปู่ตายบ้างย่าตายบ้าง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 ถามว่านา ง, นางะกะิฬาอตเตอร์มีเนี่ยนะไม่เคยเห็นคนตายเลยหรือไม่รู้ว่าคนเราก็ต้องตายอ่ะก็รู้นะแต่มันเป็นการรู้ในระดับสมองนะแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ยอมรับโดยเพราะเมื่อความตายเกิดขึ้นกับคนรักการที่คนเรานี่มันจะยอมรับความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะโเฉพาะความจริงที่มันสวนทางกับความเชื่อหรือว่าสวนทางกับความอยากความปรารถนามันไม่ใช่แค่คนโง่เท่านั้นนะ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 ที่ไม่ยอมเชื่อเพราะใจมันไม่อยากจะยอมรับว่าฮิตเลอร์จะบุกเพราถ้าบุกเนี่ยรัเสเซียพีนาดแน่เพราะไม่ไม่พร้อมเลยไอ้ความกลัวว่าะว่าฮิตเลอร์จะบุกเนี่ยก็เลยพยายามหาเหตุผลว่าเอ้ยมันฮิตเริม่มไม่ทําหรอกฮิดเริ่์มันกลัวเรานะฮิตเลอร์มกลัวรัสเซี ย, น, ยนะนะพูดกับนายพลนะที่มาเตือนเวลาผ่านไปไม่นานอังกฤษ ก, ก็บอกก็บอกฮิตเลอร์บอกสตาลินว่า